667เกี่ยวกับหลักการไม่มีตนเองไม่มีผู้อื่นที่ก่อทุกข์พอดีเป็นแผลที่ลิ้นอาจจะพูดไม่ถนัดนิดหนึ่งนะครั้นอเจแลกกัสปะได้รับพุทธานุ ญ, ญาตให้ทูลถามปัญหาได้ จากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองหรือพระเจ้าข้าดูหลักเรื่องของความทุกข์สุขทุกข์กรรมนะจะอยู่ในหลักเดียวกันบอกว่าความทุกข์บุคคลกระทำเองหรือพูะเจ้าบอกว่ายาก่าวยางนั้นเลยกัสปะ ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญความทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำให้หรือพระเจ้าข้าอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยกัสปะข้าแต่พระโคดมผู้เจริญความทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยและผู้บุคคลอื่นกระทำให้ด้วยหรือพระเจ้าข้าอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยกัสปะข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้เกิดขึ้นได้หรือพระเจ้าข้ายากราวยางนั้นเลยกัสปะเขาเริ่มงงแล้วเขาก็ถามต่อว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญความทุกข์ไม่มีหรือพระเจ้าข้าดูก่อนกัสปะมิใช่ความทุกข์ไม่มีที่แท้ความทุกข์มีอยู่ ข้าแต่พระโคโรมผู้จเจริญถ้าอย่างนั้นพระโคโรมผู้จเจริญย่อมไม่รู้ไม่เห็นความทุกข์กระมังดูก่อกรกสปะเราจะไม่รู้ไม่เห็นความทุกข์ก็หาไม่ได้เราแลย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งความทุกข์อืมกสปะเริ่มงงทำเองก็ไม่ใช่คนอื่นทําให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนเองทั้งผู้อื่นก็ไม่ใช่ หรือไม่ใช่ทั้งสองก็ไม่ใช่แล้วก็ถามแล้วความแสดงว่าความทุกข์ไม่มีใช่ั้ยก็บอกไม่ใช่อีกเอาแสดงว่าความทุกข์มีแต่พระโคดมไม่เห็นความทุกข์ละมั้งก็ไม่ใช่ที่แท้รู้เห็นความทุกข์นี่ถ้าแต่พระโคดมผู้เจริญเมื่อคราพระองค์ทูลถามว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลทำเองหรือทรงตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเลย ไม่ถามว่าบุคคลอื่นกระทําหรือก็บอกว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยหรือว่าบุคคลทําเองด้วยคนอื่นกระทําด้วยก็บอกว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยอืมหรือบอกไม่ใช่ทั้งสองก็บอกอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยข้าวงถามว่าความทุกข์ไม่มีหรือก็บอกว่าไม่ใช่ความทุกข์ไม่มีที่แท้ความทุกข์มีอยู่ครั้นถามว่าถ้าอย่างนั้นพระโคโดมย่อมไม่รู้ไม่เห็นความทุกข์ระมังดังนี้ ก็ยังส่งตอบว่าเราจะไม่รู้ไม่เห็นความทุกข์ก็หาไมิได้เราแลย่อมรู้ย่อมเห็นความทุกข์ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงตัดบอกซึ่งเรื่องราวแห่งความทุกข์ขอจงทรงแสดงเรื่องความทุกข์แก่ข้าพระองค์เถิดดูกนกสาปะนะเมื่อบุคคลมีความสำคัญมั่นหมายมาแต่ต้นว่าผู้นั้นกระทําผู้นั้นเสวยผลดังนี้แล้ว เขามีวาทะว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองดังนี้นั่นย่อมแล่นไปสู่คลองแห่งสัตตตะทิฏฐิคือถือว่าเที่ยงดูกนกสปะเมื่อบุคคลถูกเวทนากระทบให้มีความสำคัญมั่นหมายว่าผู้อื่นกระทำผู้อื่นสเสวยผลดังนี้เสียแล้วเขามีวาทะว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทาให้ดังนี้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 การเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติทั้งหลายและลำดับขั้นของการดับไปคือเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเ ท, ทียวจึงมีความดับแห่งสังขาร น, นะก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นอาเจยละกัสปะนั้นกล่าวสรรเสริญพระธรรมโอวาทนั้นแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบท agen, กับพระผู้มีพระภาค ครั้นได้อุปสมบทแล้วไม่นานนะักก็กระทาให้แจ้งซึ่งลาตะผลอันเป็นที่สุดแห่งปรมจันร์ได้เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี่มุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งจัดกับอานนท์บอกอานนท์ในคราวหนึ่งที่เราอยู่ที่ป่าไผ่เป็นที่ให้เหยื่อ แก่กระแตใกล้กรุงะะราชคลีนี่เองครั้งนั้นเวลาเช้าเราคลองชีวรถือบาดเพื่อไปบินธบาตในกะะรุงราชคลีนคิดขึ้นมาว่ายังเช้าเกินไปสําหรับการบินธบาตในกะะรุงราชคลีนถ้าจะไหนเราเข้าไปสู่อารามของปริพาชพกผู้เป็นเดลถีเราอื่นเถิดเห็นไหมบินธบาตเดินถือบาดชีวรไปแต่มืดพอใกล้บ้านปุ๊บเนี่ย ผู้เจก็จะพิจารณาว่าเอ๊ะสมควรเข้าดีหรือไม่ท่านก็จะพิจารณาเออรู้สึกยังเช้าเกินไปนชาวบ้านอาจจะยังไม่ตื่ น, นก็เลยเดี๋ยวก่อนละกันระหว่างที่คอยก็เลยเดินไปคุยกับปริพาชกตามอารามของปริพาชกอื่นๆดีกว่าอย่างนี้ดูก่อนอ น, อนนน เราได้เข้าไปสู่อารามของปลิพพาชกผู้เป็นเดลถีเ่าอื่นกระทําสัมโมทนียกถาแก่กันและกันนั่งลงหน้าที่ควรข้างหนึ่งดูก่อนอนนันปลิพพาชกผู้เป็นเดลถีอื่นเหล่านั้นได้กล่าวกับเราผู้นั่งแล้วอย่างนี้ว่าท่านโคตมะมีสมณพราหมณ์บางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนเองทำเอาเองด้วย มีสมณพราหมณ์อีกบางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นกระทําให้มีสมณพราหมณ์อีกบางพวก <c oughs> ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนเองทําเอาเองด้วยผู้อื่นทําให้ด้วยมีสมณพราหมณ์อีกพวก ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำเองหรือใครทาให้ก็เกิดขึ้นได้ในเรื่องนี้ท่านโคตมะของพวกเราจะพูดว่าอย่างไรจะกล่าวว่าอย่างไรและพวกเรากล่าวอยู่อย่างไรจึงจะเป็นอันกล่าวตามคำที่ท่านโคตมะกล่าวแล้วแม้แต่ปริพาชกยังไม่กล้ากล่าวผิดไปจากคาพูดพระเจ้าเลยนะ เวลาเขาจะพูดว่าเป็นวาทะของใครคาของใครเขาจะต้องก๊อปปี้คาของคนนั้นอย่างไม่มีข้อผิดพลาดนะมไม่เป็นการกล่าวตูด้วยคําไม่จริงแต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้องและสาธรรมิกบางคนที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยเป็นผู้ที่ควรถูกตำหนิไปด้วยดังนี้ถามพระเจ้ามีความเห็นอย่างไรนะ <c oughs> กุจบอกดูก่อนอ น, อนนลเมื่อเราถูกถามอย่างนี้แล้วได้ตอบแก่ปริพาชคเหล่านั้นว่าดูก่อนท่านทั้งหลายทุกนั้นเรากล่าวว่าเป็นเพียงสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้น ทุกนั้นอาศัยเหตุปัจจัยอะไรเล่าทุกนั้นอาศัยปัจจัยคือผัสสะอาศัยเหตุคือผัสสะผู้ใดกล่าวอย่างนี้แลชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวต่เราด้วยคำไม่จริงแต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้องและสาธรรมิกบางคนที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยกลายเป็นผู้ที่ควรถูกตำหนิไปด้วย เพราะฉะนั้นผู้เจ้าจึงบอกว่าทุก์อาศัยเหตุคือผัสสะจะมีในอีกพระสูตรหนึ่งซึ่งผู้เจ้าจะบอกว่ากรรมอาศัยเหตุปัจจัยคือผัสสะผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวเพราะฉะนั้นบางครั้งอาตมา ก, ก็เลยรวมเรื่องของกรรมกับทุกนะว่าเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยคือผัสสะแล้วเกิดขึ้นนะแล้วก็ลักษณะอันนี้ก็คือว่า ทุกหรือกรรมไม่ได้ว่าตนเองทำไม่ใช่ผู้อื่นทาไม่ใช่ทั้งตนเองและผู้อื่นไม่ใช่เกิดขึ้นมาเองลอยๆนะ <c oughs> ดูก่อนท่านทั้งหลายในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนเองทำเอาเองด้วย แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้สมณะพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทําให้แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้ปัจจัยแปลว่าเหตุนะ อาศัยผัสสะเป็นเหตุจึงเกิดมีได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนเองทำเอาเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้ถึงแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้เกิดขึ้น ได้ก็ตามแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยภาษาเป็นปัจจัยที่เกิดมีได้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นใครจะบัญญัติก ร, รมแบบไหนก็ตาม <c oughs> ก็จะต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจภัษะทางอายณะทั้งหกเป็นเครื่องสื่อสารหรือเครื่องพูดให้เกิดขึ้นอยู่นั่นเองเว้นจากภาษายตนาทั้งหลายไม่ได้เลย ดูก่อนท่านทั้งหลายในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้ง4ี่พวกนั้นนะมีคนพูดเรื่องกรรมเยอะในประเทศไทยนะถ้าเราศึกษาพุทธวนจะนะตรงนี้ย่อมจะเห็นเลยว่าใครเนี่ยอธิบายเรื่องกรรมเนี่ยผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิออกนอกแนวคําสอนพระตถาคตบ้างนะจะเห็นค่อนข้างชัดเพราะบางคนก็บอกว่าอานเนี่ยกรรมเนี่ยเกิดจากผีบรรดานะ ผีประจําตัวเน่ยผีตรงโน้นมามาเทวดาประจําตัวคนนั้นคนนี้ดนบรรดานนี่ตลอดนะอืมก็จะมีมันก็จะเข้าขายว่าผู้อื่นบรรดาลทุกข์หรือบันดานกรรมให้อย่างนี้ <c oughs> ในบรรดาสมณพราหมณ์พวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนเองทําตนเองทําเอาด้วยตนเอง สมณะพรามพวกนั้นหนาเว้นผัสสะเสร็จแล้วจะรู้สึกต่อความทุกข์นั้นได้ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ก็ตัดทั้งสี่พวกเลยแล้วก็สรุปบอกว่าเว้นจากผัสสะแล้วเนี่ยจะรู้สึกต่อความทุกข์ที่บัญญัติเนี่ยได้ไหมไม่ได้พระองค์ตัดอีกพระสูตรหนึ่ง คล้ายการจะเดินไปบินธบาตยังเช้าจึงเข้าไปสู่อารามปริพาชก <c oughs> แล้วทีนี้ก็จัดเรื่องกรรมว่าบางพวกสอนเรื่องกรรมย่อมประหยัดความทุกข์ว่าตนเองทาผู้อื่นทาตนเองทาด้วยผู้อื่นทำด้วยหรือไม่ใช่ทั้งสอง ผูจ้กาก็ตัดเหมือนเดิมอีกว่าทุกนั้นเรากล่าวว่าเป็นเพียงสิ่งที่อาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นทุกนั้นอาศัยปัจจัยอะไรเล่าทุกนั้นอาศัยปัจจัยคือผัสสะตรัสเหมือนกับพระสูตรเมื่อสักครู่นี้ทุกอย่าง แล้วพระนรินจึงบอกว่าน่าอัศจรรย์พระเจ้าข้าไม่เคยมีแล้วพระเจ้าข้าในข้อที่ในการใดอัฏฐะทั้งปวงคือความหมายหรือคาแปลจักเป็นอัฏฐะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดแล้วด้วยบทเพียงบทเดียวก็คือว่าผรรษอันเดียวคำสั้นๆคำเดียวและอัฏฐะนั้น จะพึงเป็นอัถาที่เมื่อกล่าวโดยพิสดารแล้วจะพึงเป็นของลึกซึ้งด้วยมีลักษณะดูลึกซึ้งด้วยไหมพระเจ้าค่าถามผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยบอกดูก่อนอนอนท้าอย่างนั้นคำตอบในกรณีนี้จงแจมแจ้งกับเธอเองเถิดไม่รู้ไปคิดเอาเองแล้วกันนะ <c oughs> พระลานนก็เลยบรรยาย <c oughs> บรรยายปฏิจจสุบาทให้ผู้เจ้าฟังเพราะผู้เจ้าสรุปจบที่ผัสสะอย่างเดียวนะและพระลา น, นก็บอกเนี่ยถ้าจะกล่าวโดยละเอียดแล้วเนี่ยจะเป็นของที่ลึกซึ้งด้วยอย่างนั้นใช่ไหมพระเจ้าข้าผู้เจ้าก็เลยบอกงั้นอานอน์คำตอบนี้แจมแจ้งกับเธอเองเถิดพระา น, นก็เลยบรรยายสายปฏิจจเลยนะ ถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามครัองค์อย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านอนนล์ชรลามรณะมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกํา เ, เ, น, เ, เนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้เนี่ยแก่และตายมันมีอะไรเป็นเหตุเกิดของมันมดูก่อน <c oughs> ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้จะตอบแก่เขาอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายชรลามรณะมีชาติเป็นเหตุให้เกิด มีชาติเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีชาติเป็นเครื่องกำเนิดมีชาติเป็นแดนเกิดดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบเขาอย่างนี้แกและตายเนี่ยมีเพราะการเกิดเป็นเหตุพระนลก็เลยไล่สายปฏิจจนะว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของลายจนกระทั่งถึงพบชาติชรามรณะ ไ <c oughs> ล่ามาทั้งหมดพบอุปทานตันหาเวทนาไล่ามาจนถึงผัสสะย้อนกลับมาที่ผัสส ะ, ะแล้วพระนลก็สรุปตรงนี้ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งผัสสะยตนะทั้งหกนั่นแหละจึงมีความดับแห่งผัสสะ เรามีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาย้อนกลับมาพระอนุลตอบผู้เจ้าเนี่ยย้อนจากล่างขึ้นไปถึงบนถึงผัสสะแล้วก็บอกว่าเพราะความดับแห่งผัสสะทั้งหมดอย่างที่ผู้เจ้าบอกเนี่ยวาทุกอย่างมีเพราะผัสสะนะพระอนลก็เลยบอกเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เลยแห่งผัสสะยศชนะผัสสะบวกกับอายยศนะเป็นผัสสะยศชนะทั้ง6นี่แหละ จึงมีความดับแห่งภัสสะแล้วก็ไล่ว่าภัสสะดับเวทนาก็ดับตัณหาอุปทานภพช า, ชาติฉลามมลนะดับไล่มาเลยนะวันนี้ปฏิจจสมุปบาทก็เอาแค่นี้ก่อน